พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองมหาตัณหาสังคยสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรใหญ่ทิฏฐิของสาติภิกษุสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณราเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าสาติบุตรชาวประมงมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่า เรารู้ทั่วถึงธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าวิญญาณ น, นี้นั่นแหลไม่ใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปข้อนี้คือเกิดมิจฉาทิฏฐิในแง่ของการเชื่อว่าวิญญาณ น, นี้เป็นอัตตาเป็นตัวตนคือเป็นสัจสตทิฏฐิซึ่งในความจริงวิญญาณเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยให้เกิดและเกิดดับเป็นขณะไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ซึ่งที่ยังเกิดมีวิญ ญ, ญาณขึ้นมาเรื่อยๆเพราะยังมีตัณหาถ้าตัณหายังไม่สิ้นก็จะมีวิ ญ, ญญาณเกิดดับไปเรื่อยเหมือนแสงไฟที่แต่ละขณะเวลาไม่ใช่แสงเดียวกันแต่เกิดขึ้นมาใหม่แทนแสงเก่าที่ดับไปซึ่งเกิดและดับรวดเร็วมากเกิดดับต่อเนื่องกันไปจนเห็นการเกิดดับไม่ทันจึงเห็นเป็นแสงปกติธรรมดาที่เหมือนเป็นแสงเดียวกันวิญญาณก็เช่นเดียวกัน เกิดดับอย่างรวดเร็วและมีปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดดังนั้นการเข้าใจว่าวิญญาณเป็นอัตตาเป็นตัวตนเที่ยวไปลั่นไปนำไปเกิดเกิดเป็นสิ่งนี้จึงเป็นมิจฉาทิฐิความเห็นผิดหล่อภิกษุได้รู้เรื่องนี้จึงเข้าไปหาสาติภิกษุปรารถนาที่จะปลดเปลื้องสาติตภิกษุจากทิฐิชั่วนั้นจึงซักไซไล่เลียงสอบสวนว่า ท่านสาติท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้ท่านอย่าได้กลา่ า, า, า, กลาวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเป็นการไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้กรัดอย่างนี้เลยท่านสาติวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคกรัดแล้วโดยปริยายเป็นอเนกว่าปราศจาก ป, ปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณ สาติภิกษุบุตรชาวประมงถูกภิกษุเหล่านั้นซักไซไล่เลียงสอบสวนอยู่แม้อย่างนี้ก็ยังยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิชั่วนั้นอย่างรุนแรงดังเดิมภิกษุเหล่านั้นเมื่อไม่อาจปลดเรื่องสาติภิกษุบุตรชาวประมงจากทิฏฐิชั่วนั้นได้จึงเข้าไปเฝ้ากราบทูลเรื่องนี้แดบพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกสาติภิกษุมาเข้าเฝ้า ตรัสถามเธอว่าสาติได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าวิญญาณนี้นั่นแหลไม่ใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปจริงหรือไม่สาติภิกษุยอมรับว่าจริงดังนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าสาติวิญญาณนั้นเป็นอย่างไร สาธิภิกษุทูลตอบว่าสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้เสวยวิบากแห่งกรรมทั้งหลายทั้งส่วนดีและส่วนชั่วในที่นั้นๆเป็นวิญญาณพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคะบุรุษเธอรู้ธรรมะอย่างนี้ที่เราแสดงแล้วแก่ใครเล่าวิญญาณอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นเรากล่าวไว้แล้วโดวยปริยายเป็นอนเนกว่า ปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณก็เมื่อเป็นดังนี้เธอชื่อว่ากล่าวตูเราขุดตนเองและจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดโมฆะบุรุษความเห็นของเธอนั้นจะเป็นไปเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์เพื่อความทุบตลอดกาลนาน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 สาตภิกษุบุตรชาวประมงจึงนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าศพศาวหมดปฏิพานจากนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับสาติภิกษุว่าโมคะบุรุษเธอจักปรากฏด้วยทิฏฐิชั่วของตนนั้นเราจักสอบถามภิษุทั้งหลายในที่นี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วเหมือนที่สาติภิกษุกล่าวตู่เราขุดตนเองและจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากเพราะทิฏเตที่ตนถือผิดหรือไม่ข้อนี้หมายถึงถามเหล่าภิกษุว่าคิดเหมือนสาติภิกษุนั้นหรือเปล่าภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าข้อนี้มีไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข่าเพราะวิญญาณอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้น พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายโดยปริยายเป็นอเนกว่าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายดีละเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมะตามที่เราแสดงแล้ววิญญาณอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นเรากล่าวไว้แล้วโดยปริยายเป็นอเนกว่าปราศจากปัจจัย ก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณแต่สาติภิกษุบุตรชาวประมงนี้กล่าวตู่เราขุดตนเองและจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะจิต ท, ที่ตนถือผิดความเห็นอย่างนั้นของโมฆาบุรุษนั้นจะเป็นไปเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์และเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายวิญญาณที่เกิดขึ้น เพราะอาศัยปัจจัยใด ๆ, ๆก็นับว่าวิญญาณตามปัจจัยนั้นๆวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขูและรูปารมณ์คืออาศัยตาก็นับว่าเป็นจักขูวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยโสตะคือหูและสัตทารณ์ก็นับว่าโสตะวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยคานะคือจมูก และคันทารมณ์ก็นับว่าคานวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาหรือลิ้นและรสารมณ์ก็นับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายและปวดตะพารมณ์ก็นับว่ากายวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนและทำมมารมณก็นับว่ามโนวิญญาณ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 แม้ฉันใดวิญญาณก็ฉันนั้นเหมือนกันเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยใดๆก็นับว่าวิญญาณตามปัจจัยนั้นๆปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งขันห้าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นว่าขันห้าเกิดขึ้นแล้วใช่หรือไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าเธอทั้งหลายเห็นว่าขันห้านั้น เกิดขึ้นเพราะอาหารใช่หรือไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าเธอทั้งหลายเห็นว่าขันห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันหานี้มีหรือไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่า ความสงสัยเกิดขึ ah! ้นเพราะเครือบแคลงว่าขันห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นมีหรือไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นมีหรือไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าบุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันห้านี้เกิดขึ้นแล้ว ย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้หรือไม่เ ป, GE, เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค้าบุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่ญญาขันห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้หรือไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าบุคคลเห็นตามความเป็นจริงด اء, ้วย <key S 1> ปัญญาอันชอบว่าขันห้านั้น มีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้หรือไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อว่าขันห้านี้เกิดขึ้นแล้วแม้ดังนี้หรือไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อว่า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 เพราะความดับแห่งอาหารนั้นดังนี้หรือไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าหากเธอทั้งหลายจะพึงติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ปราถนาอยู่ยึดถืออยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์พุทธพองอย่างนี้ว่าเป็นของเราเธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมะที่เปรียบด้วยแพรซึ่งเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์แก่การสลัดออก มิใช่แสดงเพื่อประโยชน์แก่การยึดถือหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะหากเธอทั้งหลายไม่ติดอยู่ไม่เพลิดเพลินอยู่ไม่ปรารถนาอยู่ไม่ยึดถืออยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้ว่าเป็นของเราเธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมะที่เปรียบด้วยแพร่ซึ่งเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์แก่การสลัดออก มิใช่แสดงเพื่อประโยชน์แก่การยึดถือหรือไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะปฏิจจสมุปบาทกระบวนการเกิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาหารสี่ชนิดนี้มีเพื่อความบำรงอยู่แห่งสัตว์ที่เกิดแล้วบ้างเพื่อความอนุเคราะห์เหล่าสัตว์ที่สแสวงหาพบที่เกิดบ้างอาหารสี่ชนิด อะไรบ้างคือ 1. นึ่กะวะลิงกาวราหานอาหารคือคาข้าวหยาบบ้างละเอียดบ้าง 2. ผัสสาหารอาหารคือการสัมผัส 3. ม, มโนสัญญาเจตนาหารอาหารคือความจงใจ 4. วิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณ อาหารสี่ชนิดนี้มีตัณหาเป็นต้นเหตุมีตัณหาเป็นเหตุเกิดตัณหามีเวทนาเป็นต้นเหตุมีเวทนาเป็นเหตุเกิดเวทนามีผัสสะเป็นต้นเหตุมีผัสสะเป็นเหตุเกิดผัสสะมีสลายตนะเป็นต้นเหตุมีสลายตนะเป็นเหตุเกิด สลายตนะมีนามรูปเป็นต้นเหตุมีนามรูปเป็นเหตุเกิดนามรูปมีวิญญาณ เ, เ, เป็นต้นเหตุมีวิญญาณเป็นเหตุเกิดวิญญาณนี้มีสังขารเป็นต้นเหตุมีสังขารเป็นเหตุเกิดสังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอวิชชาเป็นต้นเหตุมีอวิชชาเป็นเหตุเกิดเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี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 ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ปฏิจจสมุปบาทกระบวนการดับพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับคือเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับ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 เธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงกลับระลึกถึงขันทา่าอายตนะในอดีตการว่าในอดีตการยาวนานไปกว่านั้นเราได้มีหรือมิได้มีแล้วหนอเราได้เป็นอะไรได้เป็นอย่างไรเราได้เป็นอะไรแล้วจึงมาเป็นอะไรอีกหนอบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าข้า เธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงกลับระลึกถึงขันธ์ธาตุอายตนะในอนาคตว่าในอนาคตการยาวนานเราจักมีหรือจักไม่มีหนอเราจักเป็นอะไรเป็นอย่างไรเราจักเป็นอะไรแล้วไปเป็นอะไรอีกหนอบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่าสำหรับคําว่ากลับระลึกถึง หมายถึงการลั่นไปตามอำนาจปัญหาและทิฏฐิด้วยอำนาจวิจิกิจฉาที่ทรงมุ่งจะปรัสถามว่าเมื่อรู้เห็นถึงปัจจัยแห่งการเกิดครบองค์สิบสองแล้วมีความสงสัยอยู่อีกหรือไม่ตรัสถามต่อไปว่าเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงมีความสงสัยภายในตนปรารบปัจจุบันการในบัดนี้ว่า เราเป็นอยู่หรือไม่เป็นอยู่หนาะเราเป็นอะไรเป็นอย่างไรสัตว์นี้มาจากไหนและเขาจะไปไหนกันหนอบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระศาสดาเป็นครูของเราทั้งหลายเราทั้งหลายต้องกล่าวอย่างนี้ด้วยความเคารพต่อพระศาสดาบ้างหรือไม่ ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่าสำหรับคำถามนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าที่เราภิกษุตอบคำถามก่อนหน้านี้ด้วยความเข้าใจจริงไม่ใช่ตอบเพราะเกรงใจว่าเป็นพระศาสดาตรัสถามต่อไปอีกว่าเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะตรัสอย่างนี้แล้วเราทั้งหลายผู้ชื่อว่าเป็นสมณะ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 โดยเชื่อว่าเป็นแก่นสารบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่าข้อวัดในที่นี้หมายถึงวัดปฏิบัติคือการประพฤติตนเป็นคนใบ้ประพฤติตนแบบช้างประพฤติตนแบบมา้าหรือประพฤติตนแบบโคซึ่งในสมัยพุทธกาลมีบางลัทธิที่เชื่อว่าการประพฤติแบบนั้นจะทำให้บรรลุนะครับ การตื่นลทัทธิหมายถึงความยึดมั่นความเห็นของตนว่านี้จริงอย่างอื่นไม่จริงการถือมงคลหมายถึงการถือว่ารูปหรือเสียงหรือวันหรือเวลาเป็นต้นว่าเป็นมงคลสิ่งใดที่เธอทั้งหลายรู้เองเห็นเองทราบเองแล้วเธอทั้งหลายจะพึงกล่าวถึงเฉพาะสิ่งนั้นใช่หรือไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ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 ภิกษุทั้งหลายเพราะปัจจสามประการประชุมพร้อมกันการถือกำเนิดในคันจึงมีได้ในสัตว์โลกนี้มารดาบิดาอยู่ร่วมกันแต่มารดายังไม่มีฤดูและคันทัภพภะยังไม่ปรากฏการถือกำเนิดในคันก็ยังมีไม่ได้คันทัพภะในที่นี้หมายถึงสัตว์ผู้จะมาเกิดในคันนั้นคือปฏิสนธิวิญญาณ ในสัตว์โลกนี้มารดาบิดาอยู่ร่วมกันมารดามีระดูแต่คันทัพพระยังไม่ปรากฏการถือกำเนิดในคันก็ยังมีไม่ได้แต่เมื่อใดมารดาบิดาอยู่ร่วมกันมารดามีฤดูและคันทัพพระก็ปรากฏเมื่อนั้นเพราะปัจใจสามประการประชุมร้องกันอย่างนี้การถือกำเนิดในคันจึงมีได้ มารดาย่อมรักษาทารกในคันนั้น9้าเดือนบ้าง10บเดือนบ้างจึงคลอดทารกผู้เป็นภาระหนักนั้นด้วยความกังวลใจมากและเลี้ยงทารกผู้เป็นภาระหนักนั้นซึ่งเกิดแล้วด้วยโลหิตของตนด้วยความห่วงใยมากน้ำนมของมารดานับเป็นโลหิตในอริยวินัยกุมานั้นอาศัยความเจริญและความเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย ย่อมเล่นด้วยเครื่องเล่นสําหรับกูมารคือไถเล็กๆหกะเมนเล่นกังหันตวงทรายรถเล็กธนูเล็กภิกษุทั้งหลายกูมารนั้นอาศัยความเจริญและความเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลายอิ่มเอิบพร้อมพร่งบำเรออยู่ด้วยกามคุณหประการคือรูปที่จะพึงรู้แจ้งทางตาเสียงที่จะพึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งทางจมูก รสที่จะพึงรู้แจ้งทางลิ้นปวดัพพะที่จะพึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใกล้พาใจให้กำหนัดกุมานั้นเห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูดมงกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผวดัพพะสัมผัสทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์อารมณ์ทางใจ แล้วกาหนัดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่น่ารักขัดเคืองในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่ไม่น่ารักย่อมเป็นผู้มีสติในกายไม่ตั้งมั่นและมีจิตเป็นกามาวจร อ, อยู่คือจิตฝ่ายอากุศลไม่รู้ชัดถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งบาปอากุศลธรรมตามความเป็นจริง เขาเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความยินดีและความยินร้ายอย่างนี้สเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามยอมเพลิดเพลินร่รำเพริบนถึงติดใจเวทนานั้นเมื่อกุมานั้นเพลิดเพลินบนถึงติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้นความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายเป็นอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะบริเทวะทุกโทมานตและอุปาญาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายตถาคตอุบัตขึ้นมาในโลกนี้เป็นอรหรันต ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและเจรณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่กวรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคตถาคตนั้นรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกปรมมาโลกและสอนหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยตนเองแล้ว จึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามแสดงธรร ม, มะมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมอัตถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนขหาบดีบุตรขหาบดีหรืออนุชนคือคนกู้เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้ฟังธรรมนั้นเมื่อฟังธรรมนั้นแล้วได้ศรัทธาในตถาคต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 ต่อมาเขาละทิ้งกองภพอสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่กลนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเขาเมื่อบวชแล้วอย่างนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพเสมอด้วยภิกษุทั้งหลายคือละเว้นขาดจาัด ก, การค่าสัตว์การรับทรัพย์และเมถุนธรรมละเว้นจัด ก, การพูดเท็จสอเสียดพูดคำยาเพ้อเจ้อ การชันในเวลาวิกาลเว้นจัด ก, การฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีและดูการละเล่นที่เป็นค่าศึกแกะบุสลเว้นขาดจัด ก, การทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมเว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่การรับเงินละทองการรับทัญญาหารดิบรับเนื้อดิบรับสตรีและกุมารีรับท่าหญิงและท่าชายรับแพะแกะไก่สุ ก, กรช้างโคมา้าลา ไรนาและที่ดินเว้นขาดจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสารเว้นขาดจากการซื้อขายโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมการรับสินบนการล่อลวงเว้นขาดจากการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจาการตีชิงวิ่งราวการปล้นและการขู่กันโชคภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบิทบาทพออิ่มท้อง ภิกษุนั้นประกอบอริยศีลหลักฐนนี้แล้วย่อมสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในภิกษุนั้นเห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลตภัณฑทางกายรู้แจ้งธรรมมารมทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือยอมปฏิบัติเพื่อความสำรวมอินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สารวมแล้ว ก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนั์ครอบงำได้ภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยะอินทรียสังวรยอมสวยสุขอันไม่ระคนกับกิเลสในภายในภิกษุนั้นทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองจีวรการชันก า, การเดิมการเคี้ยว การถ่ายอุจจาระปัสสาวะยืนเดินนั่งนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลลันษ์อริยอินทรียสังวรและอริยสติสัมปชัญญะนี้แล้วพักอยู่ณเสนาสนะเงียบสงบเพื่อกลับจากบินทบาทภายหลังฉันพัตหารเสร็จแล้วนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติไวเฉพาะหน้า ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาคือความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นชำระจิตให้บริสุทธิ์จากพยาบาทและความมุ่งร้ายมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เพื่อกูลสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทีน่ามิท h คือความหดหู่และเสื่องซึมกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระให้บริสุทธิ์จากอุทธะ ก, กุกุจัก คือความฟุ้งซ่านและความรําคาญใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชําระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในกุศลธรรมอยู่ภิกษุนนั้นละนิวรณ์หประการนี้ซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตและเป็นเหตุทําปัญญาให้อ่อนกําลังได้แล้ว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 และบรรลุจัตุตะตะชาญตามลำดับความดับแห่งกองถูกภิกษุนั้นเห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิมรสทางลิ้นถูกต้องผลตภะสัมผัสทางกายรู้แจ้งธรรมอารมณ์อารมณ์ที่เกิดทางใจไม่กำหนัดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ที่น่ารัก ไม่ขัดเคืองในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ที่น่าชังย่อมเป็นผู้มีสติในกายตั้งมั่นและมีโลกุตราจิตผู้พรั่งพร้อมด้วยมัคจิตหาประมาณมิได้อยู่ทราบชัดถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งบาปอากุศลธรรมตามความเป็นจริง เธอละความยินดียินร้ายอย่างนี้แล้วเวรษเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามก็ไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้นเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายจึงดับไปเพราะความเพลิดเพลินดับอุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปบริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตของภิกษุนั้นจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำตัณหาสังขยะวิมุตตโดยย่อของเรานี้ ตัณหาสังขยาวิมุตต์หมายถึงเทศนาเป็นเหตุหลุดพ้นเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาอันหนึ่งเธอทั้งหลายจงทรงจำสาติภิกษุบุตรชาวประมงว่าเป็นผู้ติดอยู่ในค่ายคือตัณหาและกองแห่งตัณหาใหญ่พระผู้มีประภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้น